อะไรเวลาตามที่ผู้รอท่านทั้งหลายต่างที่กำหนดกันเป็นที่ทราบกันนั่นละ่ะฝากเช้าก็มีตื่นตัวตั้งแต่เมื่อวานแล้วละ่ะเจ้าหน้าที่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 หรืว่าเป็นอริยประเพณีเป็นประเพณีของคู่มีความเป็นเลิศออกจากอพ<ม>ระยานอย่างทราบนี่ว่าพระทศพรรยาของพระบรมศาสดาพระองค์ท่านกํา<ม>หนดดูประเพณีอันดีงามของพระสัมมาสัม พ, พุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระองค์ท่านเหล่านั้นพระองค์ท่านเหล่านั้นที่ผ่านไป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 ความเป็นปกติตามความเคยชินเคยเป็นยกทาบุญยกทาฐานท่านะจาคะทุกคนไม่ใช่ว่าจะฟรีอยู่เสมอ ม, อมทีทุระทุรังภาระจะมากจะน้อยก็เป็นภาระของแต่ละท่านแต่ละคนก็มีความยกมยกออกจากพันธนาการ ปลดเพื่องพันธะอาการที่เป็นพันธานาการโดนผูกมัดเราเป็นผู้ผูกมัดเจ้าของเสเองด้วยความห่วงหาอะไรเราจะปลดเพื่องพันธานาการของเจ้าของด้วยคำว่ายกทาบุญยกทาฐานทานาจ า, า, ารค่ะพวกเราท่านทหลายได้มาสู่สถานที่แห่ง น, นี้เวลานี้มาด้วยกิริยาการของวัตเสียสละเพราะฉะนั้นจึงเป็นกิริยาการเบื้องต้นจากนั้นก็เป็นที่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 อย่างน้อยๆก็ฝ่าฝืนต้านทานอดทน ม, มันจะไม่ได้กาเริบได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนค่าศึกัตรูเวลาขึ้นเวทีชกกับคู่แข่งขันเขาไม่ได้ชกแบบ อ, อมอนอๆ ม, มือเนี่ยเพราะความจริงก็คือธรรมากอาจทาขึ้นเวทีกิจ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 สนับสนุนต้นทุนเดิมก็คือความหลงแรงผลิตโรงงานผลิตความรักความชังออกมาจากความไม่รู้จริงตามความเป็นจริงภาษาททัธรรมทางวัตหลงแต่มันไม่ได้โง่นะความหลงเนะ่มันฉลาดฉลาดหลักแหลมเกินสติกำปัญญาของเรามากมันครอบงำสติปัญญาของเราอยู่หมดัด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 สติธรรมขึ้นมายกขึ้นมาเดียวนี้ก็เป็นสติธรรมเดียวนี้ถึงยังจะไม่เป็นความเลิอดเพราะการฝึกฝนอบรมการกระทำการก้าวเดินมันไม่ถึงที่สุดบั้นปลายเบื้องต้นขอให้มีการก้าวเดินแต่จะยังไม่ได้รับผลอันเป็นเลิอดเพราะฆ่าศึกัตรูตอกธราก็คืออาธรรมอธรรมก็ไม่ใช่ขี้มูราขี้มาแองนี่เขาก็มี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 วิถีของจิตจะเป็นอย่างนั้นอื mm. มาจากไหนมาจากต้นทุนของบุญกุศลนั่นแหะในขณะเดยียวกันอ ก, กุศลมันกรติดมาด้วยถึงว่าจรมามาเจอคู่กรณีเจอพ่อแม่คู่นั้นจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นโลกกันถึงว่ามายึดเหนี่ยวเกาะกลุ่มอุปทานยึดมั่นในกลละนั้นอื mm. พอมีจิตวิ ญ, ญญาณมาถือครองแม่ก็ขับเทื่อวต่อทําหน้าที่ต่อถ้าไม่มีจิตวิ ญ, ญญาณมาถือครองในคืนนั้น าธาตุของแม่จะขับออกมาเป็นรอบเดือนคิดดูสิการเกิดมาเป็นคนไหนล่ะคนนั่นสภาวะธาตุเขาผสมกันเป็นาธาตุดินาธาตุน้าจากนั้นมากระบวนการมีจิตมาใจมีจิตวิญญาณมาถือครองาธาตุลมาธาตุไฟถึงกว่าเป็นาธาตุอาศัยมาที่หลังนี่ว่ามาประกอบเป็นาธาตุสี่สมกับคำว่าฐานะที่ตั้งของคําว่ามนุษย์โลกคือคนนั่นล่ะต้องครบสมบูรณ์ด้วยาธาตุสี่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 แต่พวกเาท่านทั้งหลายสายทางก็เกิดมาอย่างนั้นแต่เวลานี้มันไม่ได้บินแค่นั้นมีแค่นั้นมันเป็นแค่นั้นมันก็ชอบมันเทาเบาหวางอะแต่ผลจากนั้นเป็นอย่างไรคราบนี่ชาบท่าด้วยโมหะจิตมีโมหาเป็นที่ตั้งเพราะมันมหะอยู่ที่จิตที่ใจเกิดขึ้นมาแล้วก็มีแต่ความมาประคับประคองปกคบปมงหมอขอดูแลรักษาคอยอจัดป่เป่า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 มันลอมเหลวเหลวแหลกลานไปเพราะความประมาทพลาดพรังพร้งเรลื่อประมาทเดินท้ำประเด็จความไม่ประมาทน้ำ ต, ต่างๆเป็นช่องทางของความเจริญอย่าไปชิมหายล่มจมกัความสิ่นความเสื่อมเพราะอย่างไรเสีย ม, มันก็สิ่นมันก็เสื่อมเพราะสังกัดธรรมมันปรุงแต่งขึ้นมาอย่างนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไป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 หน้าที่ของเขาทุระของเขากิจทุระของเขาคือรู ป, ปรธรรมท่า mm hmm. เขาออกแบบมาอย่างนั้น mm hmm. เป็นออโตเมติก hmm. เป็นธรรมชาติ mm hmm. อัตโนมัติสูบฉ mm hmm. ีดโลหิตไปเลี้ยงร่างกาย mm hmm. ไม่มีช้อสายบ่ายคำ่ำไม่มี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 ฟืนไปให้ใครเนี่ยมันก็สแสดงตัวถามความเป็นจริงอืมเหตุปรินามัธมังกัลาลังนุ ต, ตังสมานุปัสสติเตงมมาเอสโซมัสมิเอสโซเมยตาติโนเฮตังพันเต พ, พระปัญจวัคคีทั้งห้าพระองท่านประกาศพระธรรมจักรให้เป็นไปอยู่นั้นธรรมจักรปรวัตนสูตรที่ครั้งพุทธกาลกับปัจจุบันอากาศต่างกันตรงไหน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 แต่เวลานี้วาระนี้ความรู้ของเราเนะ่ะมันรู้ตามความจอมปลอมครี่มันเสี่มสอนคือสมุทยัยมันสอนให้เราละทุกซึ่งมันไม่ใช่ธุระพระธรรมพระองค์ท่านสอนให้รู้เท่าทันก็คือจอเข้าไปนี่ว่าจอก็ไปด้วยอำนาจของคำว่าวสติปัฏฐานาโสตโสตรแห่งการตั้งสติก็คือกายานุปัสนาเวทนานุปัสนา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 ทำไมเรามาตื่นมากลัวทำไมเราเป็นาธาตุของอย่างนั้นของอย่างนั้นมันอยู่ประจำเราให ม, ม่ตอนที่เราอยู่ตอนแรกเราที่นั่งตอนแรกเราที่มาตอนแรกลักษณะอาการอย่างนี้มันไม่มีนี่ทุกเวลนาปะเพียนี้ยังไม่มียังไม่เกิดพอทุกเวลานาหน้า น, านี้มาตะกี้นี้ทำไมเรามาตื่นมากลัวเหมือนกับว่ายังไม่เคยเจอไม่เคยเห็นทั้งทั้งที่เกิดขึ้นมาเจอหน้ากันามาประจำกายประจำใจ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 รู้ประจำสัตสังขารรู้ประจำวัตสงสารรู้ประจำตัวก็คือผู้รู้ถึงไม่มีใครมารู้กับเราเราก็รู้เฉพาะเรานี่เราเอา้าท่านว่าผู้รู้รู้เฉพาะตนนั่งอยู่ด้วยกันพละเขาก็ยุดยกันเป็นหมู่คณะกับเวลานี้ไม่มีใครรู้ใครหรอกจิตเป็นนามธรรมที่ทรงธาตุอมตะธาตุก็คือความรู้เป็นธาตุรู้วิเศษศักดิกกตรงที่จิตที่ใจมโนธาตุนั้น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 ตั้งสติเรืเร้อรู้รู้เรื่องอะไรรู้เรื่องความทุกข์จ้องนกายเป็นมหารแต่ทกเข็นไหมละ่ะถึงขั้นสะดุ้งทั้งทั้งปริยานตนว่าจะตายก็ให้มันตายตั้งแต่หัวค่าน า, นายสธทิยาพามนับป่าเยาะคาให้แปดกร ม, มือเอามาเกลี่ยที่โพธิบัลลังก์ประทับนั่งผินพระพักไปทางทิศตะวันออกปฏิยานตนขึ้นมาสัจจะ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 เอาเข้าเข้ากลายเป็นกลุ่มรุมมาเป็นไฟสมสวงสมพระวรากายของพระองค์ท่านจงแรงจะทนไม่ไหวคำว่าพระหัตขวาออกมาจากพระอืเบื้องต้นเป็นอย่างไงนั่นเลยปรางรุ่งมานที่พวกเราเห็นไหนในเขาทําว่าพุทธปฏิมาที่ในช่างเขาปั้นมาให้ดูพระองค์ท่านถึงคำว่าหลุดออกมาขนาดนั้นนะในนี่ขนาดบารมี สมมูลขนาดนั้นก็ยังขนาดนั้นคิดดูสิกิเลสไม่ใช่ของแย่งนะกิเลสเป็นของจริงอ ท, ที่ทัศน์เธอจะมาหรอเธอกลับบ้านเดี๋ยวนี้เธอก็จะเป็นพระบรมบดิตจะเกิดจักรพรรดิราชแนละ้วอพระเจดาก็รอใครก็รอเธอมาทนทุกทรมานอยู่ทําไมนั่นเห็นมไหมล่ะมันมากล่อมอะไรมากล่อบล่ะก็ขันธมานนล่ะขันธ์ก็คือความคิดความปรุง ก็คิดปรุงเหมือนเราท่านทั้งหลายนี่แ่ละไม่ได้ต่างอะไรกันนักหนาหรอกอืคิดอ่อนเอคิดไปเพื่อวอกวน่นคิดไปเพื่อวัฏสงสารคิดไปเพื่อเป็นธาตสังสารจักรเหมือนที่สัตว์โลกทั้งหลายเป็นกันแต่พระองค์ท่านเขี้ยวเห็นมาจะถึงขวัตสัจจะประมัยทิฏฐานบารมีก็ว่าตะกี้นี้สำทับลงไปตอนห<อ>ัวคําเธอจะเป็นโมฆะบุรุษอะไร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 มันมามัดหัวใจของเราไปติดกับกองทุกสําคัญว่าเป็นเราทุกเขาเนี่นั่นเยว่าตรงนั้นแหละที่ว่าเป็นสมุทยัยแก้ได้ตรงนั้นก็คือแก้ที่ว่ า, พาเพียรณาเวทนาโนปัรนาเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาเพราะเวทนาเองก็ไม่ได้เวเกิดขึ้นมาเพื่อจะทําร้ายทาลายใครเกิดขึ้นมาตามปัจจัยที่มาเกี่ยวขอ้องอืยายตนะมันสัมผัสสัมผัสกันมันต้องเป็นธาตรู้ขึ้นมา แต่รู้ขึ้นมากับเพื่อหรู้ไม่ได้เพื่อหลงนี่มันไม่มีความบอกประกาศเปีย้ยงว่าอย่างนั้นอย่างนี้แต่เราเอาความเคยชินความอ่อนแอความทุพพลภาพของเราเราไม่อยู่ในสภาพที่จะเป็นอริยสาวกสาวิกาของพระองค์ท่านเป็นผู้อ่อนด้อยเป็นผู้อ่อนแอเป็นผู้ทุพพลภาพฟิตขึ้นมาสินั่นเห็นไหมหละ่ะ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 สนุกดีตลอดใจเจ้าของไปเก่าไม่ถูกที่คันจิตของสมุทัยท่านสอนให้ละละเพราะเอาความจริงเข้าไปผ่านละไมไ่เอาความดันทุรังเนี่ยเอาความจริงก็คือรู้ยิงตามความเป็นจริงว่าจิตมันเป็นอิสระโดยปกติของมันอยู่แล้วแต่มันไปเป็นธาตเพราะเราไปเอากิเลสมาครอบมามใจก็คือสมุทยัยสมุทัยมันมีอะไรพอที่จะเชื่อถือได้มัง้ง เธอเยออท ย, ยานอยากไหมแม่กิเลสฐานสวะอืมการมาสวะพระวสสาอวิชชาสวามีแต่เครื่องเธอเย่อทยานชายานอยากไปตามสิ่งที่ไม่มีความเป็นจริงรองรับอืมยากกนดันทุรังอยากกระทั่งสิ่งที่เป็นไปไม่น่าอย่างที่ว่านั้นปัณนนั้นเราก็ยังจะไปเป็นทาตมันเหรออืมเพราะเป็นาธาตธรรมะซึ่งเป็นความจริงความสัตย์ความจริงอยู่ที่ธรรม นั่นหรหน้าที่ของเราก็คือยกมรคสัจจะขึ้นมาทำหน้าที่กิตของเราทำหน้าที่ของเราตามความที่ควรจะทำกิตของทกุก็อย่าเป็นละทุกกิตของทุกกฎกำหนดให้รู้กิตของอนิโรธไม่ต้องไปทำอะไรนิโรธเราทำหน้าที่มักยก